จะฟังหรื อ, อยังอ้าววันนี้จะได้นําเรื่องที่ชาวพุทธควรมีความรู้สึกที่ดีงามในลองคิดช่วยตอบสักนิดนึงนะเดี๋ยวให้เงาะกระเชา้าความรู้สึกที่ชาวพุทธควรได้ควรบอกกับใครหรือบอกกับตัวเองอย่างภูมิใจคือความรู้สึกว่าอย่างไร มีความรู้สึกว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นความชื่นอกชื่นใจปราบปื้มที่ตัวเองเป็นชาวพุทธปฏิบัติประพฤติกระทำจนเกิดความรู้สึกว่าต่อที่โยมมึนตึบชาวพุทธเราเนี่ยควรมีความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วทุกอย่างที่ดำเนินมาในชีวิตมันถูกต้องแล้ว กับความรู้สึกผิดอีกแล้วชาวพุทธเราควรมีความรู้สึกอย่างไงกันแน่ถ้าผิดอีกแล้วเสียอีกแล้วเลวอีกแล้วพลาดอีกแล้วเป็นความรู้สึกที่ชีวิตแบบนั้นนะเขาเรียกชีวิตบัตซอบท่านี้ชีวิตที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยมีสิบเอ็ดประการถ้าเรารู้สึกในสิบเอ็ดประการเนี่ยเกี่ยวกับคําว่า ถูกต้องแล้วนะความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาจนเราปลื้มมีติสุขกับชีวิตที่ถูกต้องอ้าข้อที่หนึ่งตัวเองมีอะไรน่าไหว้ในการประพฤติกระทำที่ถูกต้องบ้างเนี่ยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนั่งเก็บเกี่ยวความภูมิใจได้บ้างหรือยังว่า เราประพฤติกระทจนเรายกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเราทำถูกต้องแล้วไม่ผิดไม่เสียหายกับใครอีกแล้วนึกแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองในความถูกต้องของเราแต่ต้านนึกแล้วตรงกันข้ามนึกเสียะสะแยะสยแงสอีดสียเอียนตัวเองเลือกเกินไม่น่าไปทำเรื่องน่าเกลียดน่าจัง ผมคิดเอาเองเนี่ยไอคนที่มันไปทําอะไรน่าเกลียดน่าชังนี่มันจะไหวตัวเองได้ไหมไปฆ่าเขาเงี่ยมันจะยกมือไหวตัวเองได้ไหมมือเปื้อนเลือดแล้วไ ป, ปรักไปก็โมลรับโกงรับเขาเนี่ยจนขึ้นลงขึ้นศาลจะไหวตัวเองได้ไหมคนแบบนั้นขอบไปไปแย่งผัวแย่งเมียเขาเนี่ยมันจะไหวตัวเองได้ไห่ ได้ไหมนึกแล้วมันก็เสแะะสร้งเสแสรงของเขาแท้ๆกูไปฉกเขามายอม่มไปพูดหลอกลวงโกโหกหยาบคายใส่เขานึกแล้วมันจะยกมือไว้ตัวเองได้ไหมเมาจ่จนเสียปูเสียก่อนกินเหล้าติดยงติดยาจนเขาด่ากันไว่าไอ้ขี้ยา แล้วมันจะยกมือไหวตัวเองได้ไม่ยกได้ไหมเออนั่นเราชาวพุทธต้องรู้สึกดีๆไว้ให้ได้สักสิบเอ็ดเรื่องเรื่องที่หนึ่งเราเนี่ยตัวเองอะมีอะไรน่าไหวบ้าง อ, อพูดถึงไอ้ไหวไหเมื่อคืนดูข่าวแล้วเศร้ามันเอาบุปกาลีไปทิ้งไวท้ที่มาหิน ข้างเมนวัดอะไรนะแต่ก่อนมันจะจากไปมันก็ไหว้พ่อที่มันอุ้มมาทิ้งไว้ที่วัดก้มกราบสามทีพระเห็นว่ามันแต่งตัวภูมิฐานเป็นไอโซแต่มันดันเอาพ่อหรือบุปการีมันมาทิ้งมันไหว้ตัวเองหรือไหว้พ่อไหว้ไปมันก็คงนั่งนึกเสียเสียงกูเอาบุปการีมาทิ้งวัด ทิ้งยังกระหมูกระหมาพ่อก็เป็นจับสันหนาวอายุเจ็ดสิบป่าลูกที่อุ้มพ่อมาวางทิ้งไว้ในวัดเนี่ยแต่งตัวหรูมากภูมิฐานนะยังไงก็ใครที่ดูแลพ่อแม่พ่อแม่ยกมือให้ศีลให้พรมาตลอดนั่นแหละลูกคนนั้นก็ ยกมือไหวตัวเองในฐานะดูแลบุปการีไม่ทอดทิ้งให้ตกระกรรมลำบากไม่อุ้มไปทิ้งว้ีิมาหินข้างเมนมันคงกลับเนี่ยเขากำลังตามหาว่าใครทำเนี่ยติดกุกนะบุปการีไปทิ้งเนี่ยติดกุกตอนนี้ข่าวออกเลยมันยกว่ามันตกใจไหมมันกำลังจะไว้ตัวเองได้ไหม มันกำลังเสแย ะ, สะแสยงเสอิดสีเอียนต่อการกระทาของมันไหมเออนี่ข้อแรกใครทำอะไรภูมิใจยกมือไว้ตัวเองได้ใครมาช่วยศาสนาใครมาถือศีลฟังธรรมจนแตกฉานอย่างนี้ก็พอจะภูมิใจยกมือไว้ตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่ประพฤติกระทำปฏิบัติถูกต้องแล้วนี่ข้อแรก เคยมีมยยมย وم? ย وم. ควานนะ <c ười> ค ม, มรู้สึกอย่างนี้บ่อยไหมโยมโยมก้มหน้าชนะเคยมีความรู้สึกอย่างนี้บ่อยไหมว่าถูกต้องแล้วจนยกมือไหว้ตัวเองมีอะไรที่หน้าไหว้ตัวเองได้หรือยังยกมือไหว้ได้มั่งหรือยังตัวเอง ไม่เจ็บพูดกันแบบหนุ่มสาวตัวเองตัวเองอยู่ไหนแล้วตัวเองเนะี่ยยกมือไหวตัวเองได้ไหมในเรื่องพระพะรรุทธกรามปฏิบัติข้อที่หนึ่งเอาจอนนี้ข้อที่สองตัวเองหรือใครก็ติเตียนไม่ได้เราไปที่ไหนมีแต่คนคนชื่นชมว่าปฏิบัติตนเหมาะสมดีงาม ไม่มีใครตำหนิติเตียนหรือไม่เลยเถิดไปถึงขั้นสาบแช่งถ้าใครเกิดมาแล้วถูกคนตำหนิติเตียนถูกปราดบัณฑิตตำหนิติเตียนถูกปู่ยาตายายสาบแช่งโยวมว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันถูกต้องไหมออใครที่ทำพระพุทธปฏิบัติจน ปูยาตายายชื่นชมให้สินให้พรมันต่างกับประพฤติปฏิบัติจนถูกตำหนิติเตียนแล้วก็ถูกสาปถูกแช่งโยมเมื่อคืนเห็นดูว่าเขาจะลงโทษไอ้โจพวกก้อยแว้นในพวกนี้ถ้าพ่อแม่ปล่อยให้ไปรบกวนป่วนเขาสองครั้งเพราะครั้งที่สามใครโดนด้วย พ่อแม่หาว่าปล่อยปลาละแล้วถ้าหากว่าพ่อกับแม่เป็นติดใกล้ลูกด้วยเนี่ยจะนั่งชื่นชมสันเสริญให้ศิลให้พรหรือนั่งตําหนิติเตียนสาบแช่งกันก็ต้องนั่งตําหนิมึงไม่น่ารักกูมาเข้าคุกเลยความประพฤติของมึงเนี่ยกูขอตําหนิเลยชิงอะไรมาเกิดถ้าโดนคําอย่างนี้ยมปลื้มไหม นั่งภูมิใจในความครามพุทธกตธรรมปฏิบัติยังถูกต้องขั้นยกมือไหวตัวเองได้มันคงไหวพ่อขอโทษพ่อหลากพ่อมันติดคุกด้วยแต่มันไม่ได้ยกมือไหวตัวมันเองได้หรอกเพราะฉะนั้นเป็นชาวพุทธวันสำคัญอย่างเนี้ยเรามาระลึกนึกถึงความถูกต้องที่ใครตำหนิติเตียนเราไม่ได้ ไม่มีใครล่วงล้ำกั้เกินเราถึงขั้นสาบแช่งเรายอมไอ้อย่างที่เอาพ่อมาทิ้งเนี่ยมันคงต้องโดนตำหนิสาบแช่งบ้างไอ้อย่างไล่ฆ่ากันอย่างก็ผักกับปลาไล่แทงภรรยาหรือแฟนด้วยกนนันมันยังบอกว่าแฟนล้มมาทับกันไก่ก็โอ้คริปตมันก็ดูจ่วงเอาจ่วงเอา คลิปมันก็เห็นอยู่นี่ช่วงเอาจุงเอามันจะล้มบ้าบ่อเลยลมมันต้องหากันไก่ไอ้นี่กันไก่วิ่งไปหาเออมีแต่คนเขาดูคลิปแล้วเขาก็ดา่าแล้วเขาก็สาปแช่งเขาก็ตำหนิติเดือดแม่ของผู้หญิงน่น ก, ก็ดา่าตาหนิตีเตียดแต่มันก็เกิดเรื่องหรือว่าผู้หญิงคนที่ถูกแทงก็ไปด่าแม่เขา เ, เขาว่ า, างั้นนะ ใหนแก่ตัวแบบถูกว่าถูกตําหนิติเตียนหรือเลยเถิดถึงขั้นถูกสาปถูกแช่งชาวพุทธคนใดที่ประพฤติกระทําปฏิบัติจนพ้นคําว่าถูกตําหนิติเตียนถูกสาปถูกแช่งทัดจันเลยไปนั้นไปอีกไม่เคยตกเป็นจําเลยไม่เคยประพฤติตน ให้มีโจทย์แล้วตัวเองนะี่ยตกเป็นจำเลยคือพูดง่ายๆไม่เคยทำอะไรให้ใครมาโจทย์แล้วให้ตัวเองนะี่ยตกเป็นจำเลยนั่งปลื้มใจชาตินี้ไม่เคยมีคดีตกเป็นจำเลยขึ้นลงขึ้นถูกจับกลุ่มกลุ่มขังต้องโทษลงอาญาเสียอิสรภาพถ้าไม่เคยเลยเนี่ย อย่างน้อยก็ต้องนั่งถูกต้องแล้วเรากฎหมายบ้านเมืองมีอย่างไรเราปฏิบัติถูกต้องแล้วกฎสินธรรมคุณงามความดีมีอย่างไรเราปฏิบัติพระพฤติกรรมถูกต้องแล้วยกมือไหว้ตวเองไปไม่ขึ้นเลยโยมไปตัว ขึ้นโดงขึ้นศาลไม่ใครมีมันโจทย์ให้ตกเป็นจำเลยไม่ต้องประกันตัวเติมมกันเนาะยกมือไววหน่อยสาธุเนี่ยสองข้อแหละชาวพุทธเราควรได้นึกรู้สึกบ้างว่าถูกต้องแล้วเรา ที่ไม่ก็ทำให้ใครเขาตำหนิติเตียนเมื่อว่านี่ไปเทศที่ท้องสนามหลวงแม่ไอ้ขี้เมาหรือเปล่าไม่รู้มันเซลลับปู ล, ลับตาเทศอยู่ได้อะไรของมันมันำหนิเราแต่พักเดียวมันก็โดนตำหนิจากคนที่นั้นไม่ฟังไปพ้นเขากว่า มีหลายๆคนตำหนิมันมากมันก็ไปคนอยู่ที่ไหนแล้วถูกใครต่อใครเขาตำหนิติเตียคนเรามันต้องเกิดมาทำให้เขาชื่นชมให้สินให้พอมันถึงจะรู้สึกว่าถูกต้องแล้วเราประพฤติกระทำตนเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครตำหนิดได้มันน่าปลื้มใจอ้าวยอม ชีวิตนี้มีทั้งความสุขและความมีประโยชน์ในตัวเราที่ได้ทำกับเพื่อนมนุษย์กับประเทศชาติกับศาสนาเราเกิดมาชาติหนึ่งเรานึกที่ว่าเรารู้สึกมีความสุขและมีประโยชน์ที่ได้ทำตอนนี้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติศาสนาถ้าเอาอย่างย่อย ก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับครอบครัวเพราะเราเป็นผู้นำครอบครัวหรือคนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวไม่เคยทำลายความสุขในครอบครัวและทำประโยชน์ให้ครอบครัวจนครอบครัวมั่นคงแข็งแรงมีสถานภาพไม่น้อยเนื้อตําใจครอบครัวใดในแวกใกล้เคียงจอมเลยไปวันนั้น เราเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นจิตอาสาอาสาสมัครพัฒนาชุมชนของเราจนเขาชื่นชมว่าเราเป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อครอบครัวถ้าใครอยู่ที่วัดนี้ก็ต้องรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้วัดนี้ถ้าอยู่ในประเทศนี้ก็ต้องรู้สึกว่า เราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในประเทศนี้นึกแล้วก็มีความสุขเราเป็นพลังของแผ่นดินเราไม่เป็นภาระของแผ่นดินยอมมาพวกในคุกเนี่ยเสียงบประมาณดูแลอะไรเยอะแยะมันเป็นภาระหรือเป็นพลังเป็นภาระยอมถ้าจะมาอยู่วัดนี้สักห้าปีสามปี แล้วยมก็มาชี้หน้าอยู่อย่างโมฆะอยู่เปล่าๆไม่เห็นทำอะไรวัดอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นถ้ายิ่งองค์ก่อนสมพารองก่อนก็มาอยู่แล้วก็ทำไว้ไดีแล้วมาถึงเราเนี่ยเราทำไม่ได้เรื่องเลยนอกจากไม่ปฏิสังขรณ์ยังปล่อยสุดโทมนี่บางวัดนะดันไปลื้โบทเก่าวิหารเก่า อะไรกเก่าของวัดนะจนเจ้าของตระกูลที่เขาสร้างวัดนะเาฟ้องร้องแจ้งความมีไหมวัดในกรุงเทพแถวแถวสะพานพุทธไปรื้อพระปรางไปรื้อเจดีย์ไปรื้ออะไรก็ไม่ทำไม่สร้างก็ไม่ควรไปหรือไปทำลายถ้าลื้อแล้วทำลายแล้วเขาตาหนิติเตียน มีความสุขไหมชีวิตมีทั้งความสุขและมีทั้งความมีประโยชน์สุขแล้วมีประโยชน์ถ้าเราสุขแล้วมีแต่โทษ ย, ยุ่งไหมได้เงินจากการรีดไถเขารวยแล้วมีความสุขแต่โทษคดีตามมาอย่างไอโกอะไรแต่ไหที่มันก็หนีไปแล้วก็กลับมามอบตัวแล้วคดีค้ามนุษย์อย่างนี้เนี่ย มันจะยกมือไหวตัวเองได้ไหมมันจะรู้สึกในความถูกต้องของมันไหมมันมีแต่ความรู้สึกกูไม่น่าทาผิดเลยเราไม่น่าทาผิดเลยฉันไม่น่าทาผิดเลยมันนั่งนึกถึงผิดผิดผิดผิดทางศาสนาเขาเรียกอะไรวิปปติสารคือนั่งเราเสียใจนึกเราเสียใจในภายหลังต่อการกระทําที่แล้วมาท่านเรียกว่าวิปปติสาร คือหมดความสุขแล้วไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นผู้ทําลายยอมใครมาอยู่วัดนี้อยู่แล้วขอให้มีความสุขแล้วขอให้มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ให้ความมีประโยชน์ในตัวเราเนี่ยมันเด่นชัดว่าเรามาอยู่ณนะที่นี้ตรงนี้วัดนี้แล้วไม่ทําลายแต่ทําประโยชน์อาสาช่วยทํานู่นทํานี่ ทำไปจนคนก็บอกแม่เป็นวยาวัจกรวัดที่ฝนฝ้ายสูงเลือเกินวยาวัจไหมบุญในสิบข้อคือฝนฝายทํากิจอันชอบที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อวัดวาอารามต่อประเทศชาติอันดับต้นะทําแต่ครอบครัวไปก่อนถ้าครอบครัวของเราเรารู้สึกว่าเราเติมความสุขและเติมประโยชน์ เติมบ้านต่อบ้านเติมด อ, อกไม้ประดงประดับสวยๆงามๆเดินออกไปเหลี้ยวดูก็ปลื้มใจกลับมาจากงานจากการผ่านหน้าบ้านก็ปออกกลืม้มอกปลื้มใจเพอเพอดูดอกไม้ก็ยกมือไหว้ตัวเองว่ากูจัดแล้วสวยเลยพ <c oughs> อจะเกิดความรู้สึกลึกๆอย่างนี้บ้างดีไหม เขามาจัดสวยเห็นแล้วมีความสุขไหมไอคนจัดมันทําประโยชน์ไหมมันทําไว้เงี้ยแล้วเราก็น้ํามาลดบ้างได้ไห ม, มจัดเยอะอู้ไม่สน <c oughs> ถ้าอย่างนี้เนี่ยความนึกคิดของเรามันไม่พรอยยินดีที่เขาทํามันจะมีความสุขไหมบุญสําเร็จด้วยการพรอยยินดีพรอยอนุโมทนา ก็เป็นบุญแล้วก็เป็นความสุขบุญสั่งสมดีก็มีความสุขและบุญเนี่ไม่มีโทษส่วนใหญ่มีแต่ประโยชน์ถ้าทำถูกต้องให้ความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วเนี่ยในการได้กระทำชีวิตได้เกิดสุขและเกิดมีประโยชน์ย้าให้เป็นชีวิตที่ถูกตราหน้าว่าถ้าเป็นผู้ชายก็นาหน้าด้วยคำว่า นอทอชายแปลว่าอะไรแล้วก็นอทอหญิงก็แปลว่านักโทษหญิงจะมีความสุขไหมละ่ะถ้าถูกตราหน้าว่าเป็นนักโทษเป็นจำเลยเอาละสรุปว่ามีชีวิตทั้งมีความสุขทั้งมีประโยชน์เป็นชีวิตที่ ภูมิใจ ย, ยกมือไหวได้อีกข้อหนึ่งแต่ถ้าชีวิตนี้อมทุกหน้างิดหน้างอชวนทำประโยชน์อะไรมันก็พูดใส่เขาด้วยความอารมณ์เสียอยากทำก็ใสหัวทำเป็ดอยากได้หน้าก็ทำาป็ดกูจะไม่เอากระมึงหอ้คนวันนี้มันจะมีความรู้สึกถูกต้องกับใครเขาได้บ้างกี่ข้อแล้ว ลือหมดต้องใายเหนื่อยเปล่า <c oughs> ทั้งความสุขทั้งมีประโยชน์ต้องเป็นหนึ่งในชีวิตมนุษย์หกสิบเปรน70เจ็ดสิบปรนเราต้องไม่น้อยหน้าใครในชีวิตที่มีความสุขและใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ใช้เวลาทุกนาทีเป็นประโยชน์ใช้เงินใช้ทองให้เป็นประโยชน์ ใช้อวัยวะทุกฝีเก้าฝีไม่หลายมือจนกระทั่งหมดชีวิตยังมีฝีมือฝากไว้เวลาตายเนี่ยนะเขามัดตะสังมัดไปสายสิน้นนอนอยู่ในโลงเนี่ยนะแล้เวลาเขาเผาเนี่ยมือลมจะเยือกพอเยือกแล้วไฟก็จะไหม้ส่ยสินขาดพอไหม้ส่ยสินขาดมันจะกางออกนี่แล้วไฟก็จะไหม้นิ้วไหม้มือ คนที่อยู่สามจุดไม่หลังสุดคือหน้าอกตับโพรกระโหลศีรษะมือไม่ก่อนเบิดแต่ตายแล้วมีคนพูดว่านี่ฝีมือแม่คนนั้นนี่ฝีมือพ่อคนนี้มีฝีมือพระพยอมติดตักสมมติไม่รู้จะยกใครเรือบ้าปุรานเขาว่าไงนะมาที่ไขยกหางให้มัน นีพระไม่ใชอยากมายกตัวอินแต่มันก็ทําอะไรไว้ให้ใครต่อใครคงได้พูดกันหลังจากพระประยอมตายแล้วว่านิพิมมือท่านนะมันฝีมือท่านนะนานนะตายแล้ว<ร>มือไ ม, ไม่ไปกาดเผาตอนเผาแต่ฝีมือไม่ไหมอยู่ประดับโลกไว้ให้คนได้พูดได้สัมเสริญถ้าวิญญาณเราได้ดินแล้วเราก็คงปื้มไปยันตายอยู่นะ เอาละสรุปขอ้อนี้พอแจ่มแจ้งไห ม, อมเอาข้อต่อไปข้อที่สี่ทำยังไงถึงจะท้าทายมารุตยูว่าทุกอย่างเสร็จและถูกต้องหมดแล้วทุกอย่างเสร็จและถูกต้องหมดแล้ว ขอท้าเลยไอ้มรุตยยความตายจะมาเมื่อไหร่จะอย่าเป็นยมบาลจะมาถามไถ่มาเลยไม่กลัวแต่มานี่ขอคุยสันหน่อยนะพูดไปพูดมาอดยกตัวเองไม่ค่อยได้เพราะไม่รู้ใครเขาทำอะไรไปรยกก็ผิดทุกแต่มาเคยโดนไปยกคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นปเทศงานศพคนตายไม่รู้ว่าแกกินเราไม่รู้ว่าแกขีก้เมา ไป็ถึงันบอกท่านผู้ตายเป็นผู้มีศิลนมีศรัทธามั่นคงในพรนะศาสนานี่คนมันก็บอกไม่รู้เรื่องเมาตลอดอไม่รู้นะถ้าตัมมาตายวันนี้พรุ่งนี้แล้วยมพระบาลเรียกไปถามว่านี่เกิดมาตั้งหกสิบ้าปีหกสิบหกปีเนี่ยทำอะไรบ้างหรือยังทำอะไรมาบ้างในรายงานมาที จะบอกพูดกวนมันเลยถ้ากูรายงานมึงจดไม่ทันก็แล้ว <c oughs> มึงจดไปไวทั้งงานเผยแพร่ทั้งงานสงเคราะห์ทั้งงานพัฒนาเราทำมาเต็มที่แล้ ว, ลวกลัวอะไรก็ตายเพราะสเบียงที่ทำมันมันเยอะแล้วอะคนจะเดินทางต่อไปถ้าเขาถามสเบียงพร้อมยังเขาบอกพร้อมแล้ว กลัวไม่ที่จะต้องเดินทางกลางหน้าไปอดประหยัดไปอยู่รับระพบไหนก็ตามเมื่อมีสเสบียงเตรียมไว้พร้อมแล้วมันจะกลัวอะไรถ้ามันเลยถ้าความตายเพราะเราทำถูกต้องสำเร็จเสร็จหมดแล้วไอ้พวกที่กลัวตายเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอต่อชาปีเลยไปทำบุญต่ออายุ ไอ้พวกเนี้ให้พระบังสกุลเป็นกูอยากเป็นต่อพรถ้ากูตายตอนนี้กูไม่มีสเสบียง เ, ยเนี่ยโยมไอ้พวกนี้ทา้าบวานตายได้ไหมไอ้พวกไม่ได้ทําอะไรไว้พร้อมเ อ, อ้เขาเล่าถึงอามาแกทําบุญสวดารมีบุญทำบุญทำบุ ญ, บญพอใกล้จะตายไอ้ลูกหลานเนี่ยหาว่าแกเพอเพราแกบอกพูดแต่คาว่ามารับแล้วเหรอ ราชรถดสวยจางหน่าไปเดี๋ยวนี้เลยสวยจังเลยอัมะมพูดเงี้ยไอ้ลูกหลานว่าอมะเพออามาเพ อ, อ, มมเอแต่แกเห็นราชจรดจะมารับไ ป, ไปไปสู่สุขาวดีแกก็กลัวตายไหมกลัวอะไรไม่ได้แบบโรหิงยาไปลอยอยู่กลางทะเล ถ้าเลืออบายพ็หลับแล้วอยากไปไหมไปยังนั่งเสียวไปตายข้างหน้าปะเพราะฉะนั้นการที่คนเราเกิดมามีความรู้สึกทามรุตจะอยู่เพราะสิ่งที่ทรทมสำเร็จถูกต้องมานั้นได้ทาสำเร็จแล้วความถูกต้องได้ทำสำเร็จแล้วหลายเรื่องหลายอย่างหลายประกาศไม่ใช่พูดอย่างรัฐบาลก็บอกจบตามรถแม อะไรเขาเนี่เขาเรียกอะไรรถแมพใช่ไหมกลัวว่าจบรถแมปสองสามแล้วเรื่องที่อยากจะแก้ไขมันไม่เสร็จเนี่ยดียเดี๋ยวดีเขาล่มเลิกกันที่เกิดเรื่องนี้ก็เพราะอิรัฐบาลก่อนมันทำไม่เสร็จมันไม่ทำเขาต้องมาเนี่ยถ้าตามาตายนะถ้าคนรุ่นหลังมาบอกเจ้าวาดองค์ที่แล้วแย่ yeah, ไม่ทำอะไรสำเร็จเลย เราต้องมาทําต่อแทบตายก็เราจะมีความสุขไหมแต่วิญญาณเราไปรับรู้เขาทราบแฉงเราข้างหลังแต่ถ้าเราตายแล้วคนที่อยู่ภายหลังก็บอกโอ้ย oh, ท่านทํ า, ทาไว้สมบูรณ์ถูกต้องหมดแล้วเราก็มาสเสวยสุขก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างสบายๆเขาไม่ได้ตําหนิติเตียนเรา เราเองก็นึกภูมิใจว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำเร็จอย่างถูกต้องหมดแล้วพระชาวพุทธหยอกยมไปเวื่อมาเออจริงนะที่ยมอยากจะมาขอสร้างกุฏิอะไรเล็กๆเนี่ยบอกไม่ให้ทำามาทำเองเพราะอะไรตั้งวัดมียังไม่รีบใจเดี๋ยวเขาเก็บภาษีข่าวลูกข่าวพาเคนจะเก็บภาษีพระเป็นสี่วันเพราะนั้นวัดก็ต้องรีบ ทำให้มันหมดไอมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เขาว่านะจอมเจ้าวาดวัดกรรมการวัดไม่ยอมให้ดูบัญชีกลัวตัวเลขเยอะนะอาตมาตายจะไม่มีทางให้เหมือนหลวงปู่หงที่ว่ามีเงินเหลือตั้ง 5, ห้าพันล้านถ้าพระไปะยอมตายทำานี่ไว้ใช้ด้วยซ้ำแต่สร้างของเสร็จแหละสร้างเสร็จแล้วใช้ี อย่างนี้ขยดาไล่หลังเราได้ไหมว่าเป็นพระงกสะสมโยทาเสร็จแล้วถูกต้องทุกอย่างแล้วถ้ามะอยู่ได้เลยถ้าทายมฤอยูว่าทุกอย่างเราทําเสร็จแล้วถูกต้องหมดแล้วเนี่ยจะเอาไงก็เอาจะว่าไงจะไปลงนรกหรือจะส่งไปสวรรค์ว่ามาเ ท้าเลยไม่กลัวมลิทธิยูหรือความตายเพราะจะเปลี่ยนจะย้ายพบสเบียงก็แหมเทียบไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าหรือไปตายเอาดาบหน้าเอ้เอาข้อต่อมาข้อที่ห้าแม้แต่ความผิดพลาดที่มีอยู่แม้แต่เรื่องความผิดพลาดที่มีอยู่ ก็ต้องกําลังจะสำเร็จอย่างถูกต้องอยู่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ผิดพลาดนั้นเพื่อจะผิดพลาดต่อไปแต่มันผิดพลาดเพื่อจะให้ถูกต้องต่อไปที่เร า, าผิดก็เป็นต่อดังๆหน่อยมีอารมณ์ร่วมหน่อยเดี๋ยงวง่วผิดก็เป็นถูกก็เป็นให้เรารู้ต้องป้องกันแก้ไข รู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันต่อไปอย่าผิดแล้วก็มานั่งโทษคนนู้นโทษคนนี้ผิดแล้วบอกอยู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องต่อไปไม่ใช่ผิดแล้วก็ผิดมันอยูน่นั่นแหละผิดครั้งหนึ่งเป็นครูผิดครั้งสองก็ยังเป็นครูถ้าผิดครั้งสามฉันด่าเลยนั้นอย่าผิดเกินสามครั้ง ถ้าจะผิดพลาดขอให้ผิดพลาดเพื่อเป็นครูให้รู้ว่าจะทำให้มันถูกต้องต่อไปจริงนาย้ทงผิดพลาดกับพ่อแม่ไปโยกแม่พ่อต่อไปนี้จะพยายามทำให้ถูกต้องกับพ่อกับแม่ต่อไปไม่ใช่ผิดทํำซากผิดแล้วไม่เคยสำนึกยังใจฝนนั้งที่มันโดนยิงตายเพราะอะไรจำได้ไหมที่เคยเล่า่ะ เราแล้วลืมหมดไม่นานแล้วอีลูกสาวนะ่ะมันชอบไปยืมตังเขาแล้วก็ให้แม่ใช้แม่ก็เตือนบอกมึงถือยืมบ่อยๆแล้วกูจะกูจะทุกวันนึงกูทนไม่ไหวกูเจียใช้ใช้เรื่อยแล้วมันไปยืมอีวันจุดนั้นแม่เหลือดทนอาปินยิงลูกสาวตายผิดแล้วมันไม่ทำอะไรเพื่อถูกต้องกลับบางๆ ให้แม่ใช้แล้วก็ควรจะเอามาใช้แม่คืนบ้างยังงี้มันยังจะถูกต้องให้แม่ใช้เลยแล้วกูก็ยืมด้วยยัยงงี้ก็สมควรตายยมจะเป็นลายต่อไปกันไหมใครเป็นลูกอย่าทำผิดกับพ่อแม่ทำซากไม่เคยคิดปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องผิดแล้ว เขาบอกผิดเป็นครูถูกเป็นครูเนี่ยคนรู้สึกตัวว่าผิดมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้คนที่ผิดแล้วไม่รู้สึกว่าผิดเลยยังทำผิดมันล้ำไปโอกาสเป็นบัณฑิตไม่มีนอกจากเป็นอันาถานเทื่อนถอยตาพวกนี้เป็นแบบนั้นเอาละข้อนี้น่าคิด น, นะโยมนะแม้แต่ความผิดพลาด ที่มีอยู่ก็เพื่อใจมันถูกต้องต่อไปอย่าให้มันมีความผิดพลาดชนิดที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้มันถูกต้องเลยอาตมานึกแล้วปลื้มใจนะเมื่อวานในกอร์วอลาะอันดังส น, นั่นที่เซนท่านราพราตอนนั้นนะเขาหาว่าอาตมาคิดผิดเอาพวกเสื้อแดงเข้าวัดโกรธกันบาน ถ้าจะมาไปเทศก็บอกโยมถ้าใครเป็นทุกข์เพราะพระพยอมเป็นเหตุวันนี้พระพยอมขอโทษขอโทษจะปรับลงใหม่ให้ถูกต้องต่อไปอย่างนี้มันก็ผิดเพื่อเป็นถูกต้องต่อไปอย่าให้ความผิดพลาดผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกทำแล้วทำอีกไม่คิดแก้ไขปรับลงให้มันถูกต้องต่อไป เมื่อไหรมันจะได้ยกมือไหวตัวเองได้เดีย๋ยวนี้มารู้สึกเองคนที่โกรธโกรธมาวัดบานแล้วเพราะเราทำกับเขายัางถูกต้องเรารู้จักขอโทษไอ้คนเหลวเนี่นะขอโทษกนให้อภัยไม่เป็นถ้าจะมาขอโทษอะไรคนนั้นมันไม่ให้อภยัยธรรมาเนี่ยใครระยำประกันเผื่อมันนั่งอยู่ที่นี่มันจะได้สดุกมากแต่ถ้ามันให้อภยัยทํามะมันมถูกต้อง แล้วก็ถูกต้องคนอยู่กันแบบถูกต้องมันก็อยู่กันสบายเป็นสุขไม่เยิ่มเป็นไม่เป็นเออที่แล้วมาผิดแล้วมันไม่ขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ให้อภัยว่า น, นี่เขาบอกประเทศไทยอะรู้ปะ่ะมันเสียหายอยู่เรื่องคือเรื่องไม่ให้อภัยแล้วก็ตามบี้ตามล้างตามผานจนเขาบอกว่าบางรัฐบาลไม่ทำอะไร มัวอะไรบี้คู่อลิทางกันเมืองยาบก็ไม่ได้ปราบยาเสพติดก็ไม่ได้ปราบเพราะมัวจะปราบไม่หมดนั้นแต่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ทํางานได้เยอะเพราะอะไรเขาไม่มัวจะไปไล่บี้ใครแต่ตอนหลังจะมีข่าวจ ะ, ดด จ, ะจะบี้ถอดยศจะบี้ถอนพัสปอร์ตจะบี้ตัเครื่องราชคือทามวัววนสารวนแต่ป่านนี้ยแล้วมันจะได้ถอดเศรษฐกิจที่แย่ลงได้ไหม จะได้ถอดภาวะสังคมไร้สินธรรมตอนนี้ได้ไหมการไล่ล่าไอ้พวกเอาแผ่นดินผืนป่าไปครอบครองเนี่ยไล่แล้วอย่างไหนบ้านเมืองจะดีปรากันด้มไ้ยถอดาพาสปอร์ตเขาก็ยังไปได้เพราะเขาก็มีเส้นทางของเขาโยมถอดเครื่องราชก็ตายไหม แต่ถ้าเราถอดไอ้ถอดถอดไอ้พวกที่ยึดที่อุทยานป่าโดยออกโฉนดโดยกรมที่ดินการจัการเร็วๆออกแล้วขายแล้วหอริบคืนมันไม่เคยรับผิดชอบเลยเห็นที่เนี้ยข่าวออกมาว่าจะเอารองผู้ว่าภูกเก็ตที่ไปออกโฉนดอุทยานสินานจะให้รับโทษเป็นคนแรกจะมาว่านะประเทศไทยนัดจะกลับไม่ยม ที่สำคัญที่สุดคือทํากฎหมายมาถูกต้องใครผิดก็ต้องใครถูกก็ต้องไม่ใช่อีกคนหนึ่งทผิดตะพื้อีกค น, นทําอะไรก็ไม่ผิดต่อไปนี้นะ่ะไอ้พวกที่ชอบไปยึดนูน่นยึดนี่เนี่ยยอมว่ามันขยาดนไหมไอ้ม็อบชอบยึดเนี่ยข่าหน้าทางยึดแล้วมาเช็ดบินกูที่หลังลุงกูก็โดนไปแล้วลุงพี่สุดเทพก็จะโดนอีก เรม่งหลงพักเออถ้าทั้งนี้ก็โดนทั้งนู้นก็โดนกฎหมายเจีบขาดถูกต้องยมมมามันจะบ้านเมืองน่าจะถูกต้องสงบสักทีแต่ถ้าปล่อยให้ใครไปทำอะไรย่ายีเข้าไปปลูกข้าวเลยทำเนียบเสียหายบ้านเลยต้องมาตกแต่งใหม่ ที่ปลูกท้องนามีตังบานไม่ปลูกนั่นไปปลูกในทำรรเนีย อ, อถ้านนนก็มีไว้ใช้เสือกเอาไปตั้งมบกันแล้วมันก็จะไปไหนเดินไปไหนกันมาไหนอ่ะมันถูกต้องไหมล่ะถ้าไม่ถูกต้องจัดการสิถ้ารัฐบาลแบบนี้จัดการได้มันก็เป็นพดัดนาการโดยธรมรมดีกว่าประชาธิปไตยโอเอโยยี้แถมไปแถมมา สีตนนชนใช้เต็มไม่ไหวเอาละสรุปว่าแม้แต่ไอความผิดพลาดเนี่ยมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องเพื่อปรับตรุงให้มันถูกต้องอย่าปล่อยความผิดพาาลาดคาราคาซังตากแห้งดองเค็มแล้วหนักๆ ก, ก็จะเกิดค่านิยมที่เ็าเรียกอะไรแช่แข็งประเทศไทยกับชัดอะไร ชัดดาวแช่แข็งชัดดาวบ้านเมืองเราถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องนึกถึงว่าที่ทำไปนั้นอะ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องทำใหมเขาจะมาตัดสินเราให้จำคุกทำไมเสียเวลาพิภาคษาสารเอาต่อมาอีกสักข้อหนึ่งยม ไม่มีอะไรเป็นทุกข์หรือวิตกกังวลเราจะเป็นคนคนหนึ่งในโลกนี้ที่ไม่นั่งอมทุกข์เกิดมาเป็นทุกข์แล้ววิตกกังวลวอดวันพ่ันพลึงนั่งนึกกลัวอกสันฝันเสียคนที่เกิดมาวิตกกังวลอกสันฝันเสียตะพุทธเลยแย่ไหมโยมมันจะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไหม นั้นชาวพุทธเราต้องนึกถึงเรื่องเราเป็นคนเกิดมายังวนอยู่ในวิตกกังวลยังวหวาดวันพรั่นพรึงยังหาความสุขกเขาไม่ได้ไม่มีอะไรที่มันเป็นทุกวิตกกังวลหวาดวันพรั่นพรึงยังอยู่ในสันดานเราเต็มที่เนี่ยเราต้องเป็นคนมีสันดานที่ไม่เป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลไม่วหวาดวันพรั่นพรึง ไม่อกสันฝันเสียฟ้าผ่าเป้งจบถ้าฝันเสียอกสันก็คอยสันแป๊บเดียวไม่จิสันฟ้าคลื่นจบไปแล้วกู้ยงไปเรียกอะไรนะกระทบไม่กระเทือนบางคนนี่กระทบแล้วก็เทือนเลื่อนลันภาษาทางศาสนาเขาเรียกอะไรรู้ไหมเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมพระอรหันเหมือนกังสดาน ปากแตกส่วนผู้ถุกชนเหมือนกังสดานปากดีกังสดานสมัยก่อนคืออะไรเหมือนรักังอ่ะมันเป็นรูปอะไรเหมือนคอเหลืออะไรเวลาตีมันดังแล้วมันจะขงังถ้ากลังสดานนั้นมันดีไม่มีรอยแล้านะพวตีไปเนี่ยถ้ามันดีส่วนที่มันแตกกวตีไป อย่างนั้นไม่คลางเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์กระทบอะไรแล้วไม่โกรคลางไม่ลำพึงลำพันไม่ตีอกจกตัวเ ก, กะหัวลื่มให้ส่วนผูทุชนนั้นชอบโกวนคลางชอบลำพึงลำพันมันไม่น่าทำกับเราอย่างนี้เลยเนี่ยพอกระทบอะไรก็กลับกนคลางบ่นลำพึงลำพัน บางคนมาวัดนี้ชอบบน่นทำไมคนในวัดนี้ยังเป็นอย่างนี้แล้วก็บ่นหลายคำบ่นหลเที่ยววราวัดไหนมันก็ต้องมีทั้งนั้นเลยตอนพระพุทธเจ้าอยู่มีเทวทัตไหมหนักกว่านี้ไหมแม่ขาวที่ว่ากวนๆปั่นป่ว น, นวัดเนี้ยยมว่าสู้เทวทัตได้ไหมเทวทัตป่วนพุทธเจ้านะแม่ขาวที่วัดนี้ยังไม่เห็นพะป่วนนามา ยังมากระบผลนไม้กาวด้วยกันจนบางคนพูดว่าถ้ายายคนนี้อยู่แล้วกูจะไม่มาวัดนี้อีกแล้วควรคลางไม่น่ามีคนอย่างนี้อยู่ในวัดรือแล้วคลางที่นี่ไม่พอไปคลางครวนที่บ้า น, นญาติพี่น้องฝัน้าบเริงวุ่นวายไปทำไมสลัดมันทิ้งไปสะบ้างแกก็กรรมของแกอยู่แล้ว จะไปรับอารมณ์ไปทำไมนี่คือสันดานปุถุชนครอบครวนครางชอบวิตกกังวลถ้ากูไปเขาหน้าเกยจะยังอยู่หรือเปล่าไอคนนั้นนะ่ะกู จ, จะนั่งวิตกกังวลแล้วถ้าเจอแล้วกูทำใจไม่ได้กูตบไปจะเกิดอะไรกู <c oughs> จะนั่งนั่งคนครางลำพึงลำพันเมื่อไหร่นอฉันภูมิใจที่ฉันไม่มีควา ม, ท, ม, ม, มทุกวิตกกังวล ล้ำพึงล้ำพันพูดถึงคนนั้นแบบเ ง, ง, ง, งี้ยเงี้เงี้ยแล้วแล้วเราเร า, า, าซ้ำซ้ำซกษไอ้ระครังที่มันคางกันนะะตีกีทีมมันควรคางซ้ํำซากคนที่พูดถึงใครซ้ํำซากใหญ่ละคังปากดีเมื่อไหร่จะแตกสักทีเมื่อไหร่จะตีโจทย์แตกฉันไม่ต้องกวนครับเอาละ ผ่านไปข้อที่เจ็มีความเป็นเช่นนั้นเองเป็นอัตมยตาอยู่เสมออัตมยตาคือมีความรู้สึกในสิ่งอะไรที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อัตมยตานี่พูดตามภาษาชาวบ้านง่ายๆกูไม่เกี่ยวข้องกับมึงแล้วกูไม่เอากับมึงอีกแล้ว กูไม่ย hey, okay, ุ่งกับมึงอีกแล้วอะไรจำนองเนี้ยยอมถ้าใครมันรู้สึกว่าเราไม่ดีแล้วมันก็พูดดังๆขึ้นมาว่ากูไม่กินกับมึงอีกแล้วกูไม่เกี่ยวกับมึงอีกแล้วไม่ยุ่งกับมึงอีกแล้วโอ้โหนี่มันมีอัรรมยตาคือมันมีความถูก oh, ต้องอะไรไม่ดีมันต้องรู้สึกว่ากูไม่เกี่ยวกไม่เอากับมึงแล้วไม่ยุ่งกับมึงอีกแล้วดีที่สุดยอม ถ้าม่ข่าวคนไหนไม่ถูกต้องกูไม่เกี่ยวของกับมึงอีแลมึงนอนห้องมึงกูก็นอนห้องกูทําไมกูต้องแสแอบไปดูมึง ก, กูปวดหัวเออเดีย๋ยวนี่เพราะฉะนั้นใครที่มีหลักอธรรมยตาถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีหลักที่ถูกต้องที่สุด เป็นหลักที่น่าปลื้มใจว่าตัวเองเข้าใจว่าเขาเป็นของเขาเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาเจอไข่เถียงกันความคิดเห็นต่างกันมากๆท่านจะพูดสรุปว่าเป็นยังไงอ๋อคุณก็เป็นของคุณอย่างนี้มานานแล้วคงเป็นมาหลายชาติแล้วที่เห็นแบบนี้ประพฤติแบบนี้แต่ท่านก็จบไม่ต่อล้อต่อเถียงด้วย คุณก็เป็นของคุณอย่างนี้มาแล้ว้วก็เชิญเป็นต่อไปส่วนเราก็เป็นของเราต่อไปเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไปเอาสันดานมันมาใช้คือไม่เกี่ยวข้องแนีกับมาแล้วไม่เป็นมันแล้เนี่ยสุดยอดชาวพุทธเราต้องมีคาถาอะตามายตาเจออะไรที่ผิดพลาดไม่ดีพูดบอกเลยกูไม่เอากับมึงอีกแล้ว เดี๋นี้ละครมันพูดหยาบนะโยไอ้มึงเอากกูอย่างงั้นเอาอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เรื่องที่ไม่เขาเรื่องแต่เรื่องที่ควรจะพูดใส่มันไปเลยไอ้เล่าบุรีการพ น, นันอัปยมุกกูไม่เอากระมึงอีกแล้วแล้วเหนือไปว่านันก็คือท่านนั่งเป็นทุกข์นั่งอารมณ์เสียหุดหงิดวันไหนถ้าเราหลุดปากพูดมาได้ว่า ไอ้เรื่องร้องไห้ร้ อ, องห่มระทมตมทุกเนี่ยกูไม่เกี่ยวข้องกับมึงอแล้วมึงจะไปทุกข์กับใครก็ไปก็กูไม่เกี่ยวข้องกับมึงเด็ดขาดกูไม่เอากองกมึงเด็ดขาดอะไรนึงทำให้กูเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสุดยอดมีบางอย่างที่นั่งนั่เนี่ยนะขนาดเขบอกเล่าอ่ะที่เคยเล่าอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ผัวเลวเมาเจ้าชู้ตบตีหนะ้าตาบวมแหกแต่แปลก พอพวสตายมันไปกอดศพลําบึงลําพันธ์ลำไห้ชาติหน้าเจอกันอีกนะชาติหน้าเจอกันอีกนะไอ้เพื่อนก็บอกอีบ้าพวมึงเร็วยังงี้มึงจะไปให้เกิดชาติหน้าเจอกันอีกมึงบ้าหรือดีไอเมี่ยมก็พูดว่าพวโกยังอื่นเล็วแต่เรื่องบนเตียงมันดีเว้ยมันก็ไปติดใจตรงนั้นนีกมันก็เลยขอเกิดเจออีกแล้วหน้าตาก็แหกแตก เย็บไปด้วยไปมีคนเราเขาบอกว่ามันแย่มันแย่มากแลกกันไม่คุ้มเลยระหว่างสุขกับทุกข์สุขทางเนื้อหนังนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อยแต่ระทมต ม, ตมใจแทบเป็นทแทบตายเมื่อชาดูเก่าทุเลตนะ่ะแม่มันยินดีให้พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกของตัวเองแล้วจะช่วยจับช่วยยุก ให้ยอมพ่อเลี้ยงเนี่ยโอ้แต่พอดีไอพ่อจริงออกจากคุกมาลูกก็มาเล่าให้ฟังถ้าผู้หญิงที่เป็นแม่ดีเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ากูจะไม่เกี่ยวข้องกับมึงไม่เอากับมึงอีกแล้วมึงจะเอาทั้งลูกกูแล้วตัวกูดิมันไม่ได้ไเงี้ยแต่แม่บ้าเลยไปยินดีให้สามีใหม่เนี่ยทำกับลูกตัวเอง แล้วยังจะบอกกูจะอยู่กับมึงต่อไปมึงจะทำก็รู้กูยังไงตัวกูยังไงอ้คนอย่างนี้เขาเรียกคนไม่มีอะตมยตาเกิดกี่ภพกี่ชาติไม่เคยสลัดไอ้เรื่องเลวร้วายเจ็บปวดด้วยคำว่าตามัมมยตากูไม่เกี่ยวข้องกับมึงกูจะไม่ยุ่งกับมึงกูจะไม่เอากับมึงอีกแล้วไอ้สิ่งที่ทำให้กูเจ็บปวดทุกทรมานยอม ถ้าเราได้หลุดขึ้นมาสักทีหนึ่งวะไอ้กิเลสสามตัวมึงทรมานกูเหลือเกินทั้งโลกก็ใสหัวย้กูงกไปวันวันหนึ่งทั้งอาฆาตมาดลายทั้งโกรธง่ายโมโหง่ายใจร้ายมึงก็ทำให้กูต้องนอนแค้นขบแค้นไอคนที่กูแค้นก็เขาหลับไปแล้วกูก็ยังนอนนึกว่าจะเจอมันกูจะตกให้ฟั่ง จะมีความสุขไหมเนี่ยแล้วไอ้คนที่หลงติดเราติดยางอมงแงมเอ้ยมันน่าจะหลุดปากพูดใส่พรุ่งไปเลยว่ากูจะไม่เกี่ยวข้องกับมึงอีกแล้วกูจะไม่เอากับมึงอีกแล้วกูจะไม่ยุ่งกับมึงอีกแล้วมีตัวนี้เมื่ อ, อไหร่ใกล้เคียงกับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าพูดกบมานวันนี้ว่ามานเอ้ย จะเอาลูกรักเมียงามเอาตำแหน่งกษัตริย์เอาประสาทสวยงามเอาสัตว์ที่น่าชืนชมพิลมนักมาปูกรัฐมัดใจเราไหลพบหลายชาติขอยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทั้งกินทั้งกามทั้งเกียรติที่พ่อให้เตรียมจะให้เป็นกษัตริย์เตรียมปนเปื้ลบำเรอรสร้างประสาทให้อยู่อยางดีท่านกลับมองเห็นประสาทเนี่ย มันครอบท่านไว้หลายภพหลายชาติท่านเลยบอกว่าชาตินี้ขอยเป็นนั่นคืออัรรมยตาของท่านก่อนที่จะตัสรู้นั้นวันนี้ขอให้รู้เรื่องนี้นะถ้าไม่รู้เรื่องนี้ขอไปมาวิสาขะแบบโมคะโมคะแปลว่าอะไรสอบแล้วเป็นโมคะยกเลิกว่าว ใครมาวันวิสาข์ฝ่าวบาปทั้งพระพยอมและโยมทำให้เขามาฝ่าวเออเนี่ยจบขอล้องวันสำคัญอย่างเงี้ยให้ข้อคิดอะไรดีๆให้คำพูดคำจาที่มันกระเทือนความทุกข์และกิเลสสัมมัง่งไม่ใช่ว่าจะทุกข์กับทุกข์ไป อย่างที่ทิมมาเคยพูดว่าในคาถาตวัดคว า, ามทุกข์ว่ากูไม่ได้เกิดมาเปิดเป็นทุกข์อื้ไอ้ขี้เมามอยู่ข้างสลามันก็แสวทุกก็ทุกอยู่อื้ยให้สันดานเซลพระไอ้คนมะเนี้ยมันจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไหมตลอดไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องหลุดมาสักคำสองคำว่าอะตมมยตา ไม่เกี่ยวกับแมวกับมันไม่ยุ่งกับมันมันจะไปหาใครไปอยู่กับใครช่างมันไม่งั้นไอ้อย่างผัวเนี่ยมันจะจากไปแล้วมันพู ด, ยดเยาะเย้ยเราว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเราต้องพูดใส่หน้ามันเลยตั้งแต่ขาดเธอฉันเพิ่งเจอความได้ปะได้ไหัหยเราจะเป็นหญิงเล็กไหมเราจะเป็น โอ้สุดยอดไม่มีใครเรียกว่าไรเทียมทานแทวเนี้อะไรขาดก็จะตายหึงก็จะตายเขาจะไปมีใหม่จะบ้าตายกินยาตายริงไฟามาเกิดพวกสมองมาบปนยา่ายจริงๆนงมาเนี่ยเจอแฟนเก่าๆโอ้ยเดี๋ยวนี้ มันมีลูกเสียคนมันโศยังยัยเพิ่ ง, น, งนึกบุญของคุกเอาละเยอย่าไปบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมเลยไม่มีอตรรมยาตาไม่มีเลยคนอย่างนี้เนี่ยมันเสียชาติเกิดเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พรพุทธศาสนา ให้รู้ว่ามันเป็นเพมันเช่นนั้นเองโลกใบนี้มันมีได้มีเสียมีบวกมีมีสมหวังผิดมีมามีมีได้มีมีแพ้มีมีสุขมีจะไปร้องไห้ร้องโหยอะไรกันนักหนานี่โยมจะไปรู้สึกดีที่สุดตอนไหนรู้ป่าตอนใกล้จะตายอาการไข้หนักเนี่ย ระหว่างขาดแฟนกับขาดออกซิเจนอันไหนโอ้ยตอน น, นา้มาหายใจไม่ออกต้องเอาเครื่องปั๊มอะไม่คิดถึงใครเลยทั้งวัดไม่มีใครดีเท่าก๊ออกซีจริงจรโอ้ยหายใจไม่ออกทั้งวัดไม่มีใครดีเออาก๊อกซนีนี่โย่ เพราะนั้นอย่าไปคิดว่าใครดีที่สุดน่ารักที่สุดมันนี่มันเฉพาะธรรมสัจจะเฉพาะยุคเฉพาะสมัยเฉพาะเวลาเอาละยังไงนะขอให้ชาวพุทธได้มีคําว่าอะธรรมยาตาหลุดออกมาบ้างก่อนที่จะมานั่งขาดเขาไม่ได้จักเขาไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับเขาต่อไปต้องอยู่กับเขาต้องมีเขา ต้องเอาเขาไว้ให้อยู่แล้วถ้าเขาไม่อยู่อ่ะนายกปูสมัยนั้นน้ําท่วมแกบอกเอาอยู่แล้วพอท่วมมันไหลไปไอค้คำพูดเอาอยู่ก็เลยมาร อ, อกั น, นเนี่ยเนี่ยตะกี้เห็นเขาพูดว่าไอ้กนที่ต้านรัฐบาลปล่อยความมั่นของเขาว่าเอาอยู่ค้มอยู่จะดตังยังไงก็เอาอยู่เอออยู่ ยังไงยังไงพวกเราเนี่ยอย่าคิดว่าจะเอาชีวิตร่างกายอยู่อย่าคิดว่าจะเอาของรักของชอบใจอยู่เพราะมันของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีมามีจากมีพรัดมีพลาดรู้ไว้แล้วก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเราจึงจะไม่ไปขูกรัดยึด ให้มันทุก อ, อกหนักใจอา้าต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่แปดฉันมีแต่ความถูกต้องฉันมีแต่ความถูกต้องเรามีแต่ความถูกต้องเป็นสัมมันตะสัมมัตตะแปลว่าถูกต้องในอริยมรตมีองค์แปดเมื่อวานก็ให้แตมาบรรยาย ข้อสองท้องสนามหลวงเนี่ยมีพระเก้าองค์ปัญญายองค์ละข้อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจจะตมาโดนข้อสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมาเนี่ยแปลว่าถูกต้องเห็นถูกต้องดำริถูกต้องพูดจาถูกต้องทําการงานถูกต้องเรียงชีวิตถูกต้องความเพียรพยายามถูกต้องความตั้งใจมั่นถูกต้อง เนี่ยยมเขาเรียกว่าสัมมาสัมมันตะแต่ถ้ามันผิดอ่ะเขาเรียกอะไรมิจฉะตะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเมื่อวานนี้ก็คื อ, องี้สัมมาสังกัปปะดํารินึกคิดติตึสามเรื่องคิดจะออกจากการหยุดพยาบาทกันคิดจะหยุดไม่ทําให้ใครลาบากคือคิดการเบียดเบียน คิดจะหยุดเรื่องบาครังหลงไหลไฟต่ำเรื่องเนื้อหนังสามคิดนี่เขาเรียกสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดหลงไหลไฟต่ำบากามงเขาเรียกมิจฉะตะจมมิดอยู่ในความคิดผิดผิดเห็นผิดผิดพูดผิดผิดเอาตอนนี้ชีวิตเราจะไม่ผิดให้มีความรู้สึกว่าฉันมีความถูกต้อง ไล่เรื่องไลยราวเอาเรื่องอะไรไั้ครอบครัวของฉันก็ถูกต้องครอบครัวฉันไม่เคยถูกดำเนินคดีครอบครัวฉันไม่เคยถูกตำหนิติเตียนอย่างที่เขาบอกว่าครอบครัวใดปล่อยให้ลูกเป็นโจรเป็นแวน่นไปเที่ยวบวชพ่อแม่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องปล่อยประละเลย ถ้าใครดูแลอบรมสั่งสอนลูกไม่ให้ลูกไปเป็นโจป่วนเมืองไม่ให้ลูกเป็นแวนเป็นก้อยม า, มาเมื่อเขาดูน่าเกลียดไหมโยกที่เขาจับแบบอีกก้อยผู้หญิงที่น่งซ้อนท้ายท้องแปดเดือนเสือกเป็นก้อยมีก้อยเล็กข้างในถูกเล็กลูกมันออกมันจะเป็นก้อยไหมเนะี่ยมันฝึกความเป็นก้อยของมัน ตั้งแต่ตัวเป็นลูกออดคิดแล้วอ น, นาจใจขอให้มีความถูกต้องในวัยพรหมจารี ว, าวัยสาววัยหนุม่มก็ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจารีตประเพณีแต่งงานแต่งการมีครอบครัวก็ทำครอบครัวตัวเองให้เป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสรศิฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบ เป็นครอบครัวตัวอย่างที่ถูกต้องให้คนอื่นเรียนแบบได้บ้างนี่เขาเรียกว่าสมัตะฉันมีแต่ความถูกต้องฉันทําแต่สิ่งที่ถูกต้องพอมาเกี่ยวข้องกับสังคมาศาสนาประเทศชาติฉันก็เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องวันสําคัญทางาศาสนาฉันก็มาเพลิดเินการทำปฏิบัติในเรื่องที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องถูกต้องไหมถ้าไปนั่งดูหนังดูละครไปนั่งอุ้มตุ๊กตาลูกเทนด็มมนมกมันทำอะไรงมงายไม่ถูกต้องเอ้าผ่านไปข้อที่เก้าความถูกต้องคือตัวฉันตัวฉันคือความถูกฉันเกิดมาเพื่อทำความถูก ฉันไม่เกิดมาทาความผิดพลาดเสียหายฉันพอจะยกมือไว้ตัวฉันได้เพราะฉันคือตัวถูกฉันไม่ใช่ตัวผิดพลาดเสียหายฉันไม่เคยเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายและผิดพลาดฉันเป็นคนพาใครต่อใครมาประพฤติกระทำให้ถูกฉันมาปฏิบัติถูกต้องฉันก็ไปชวนเพื่อนมาให้กระทำที่ถูก ฉันเลยเป็นเพื่อนที่เป็นกัญญาณมิตกรกัญญาณมิตรไม่ชวนทําผิดชวนทำถูกต้องใครชวนเพื่อนทํำไม่ทำไมนี่อาตมาไป็นเทพที่ทันสัจฐา น, นวัยหนุ่มบอกพ่อแม่พูดไม่เชื่อที่เพื่อนชวนผิดพลาดมึงเชื่ออีเด็กไม่เชื่อไม่ฟังอะไรพูดไปพูดไปไม่มีนักโทษกนหนึ่งร้องไห้บอกร้องทําไม เทโดนใจผม้าเสียได้เทพชาไปทำเรื่องไงเพื่อนผมมันชวนผมไปตีก็ะคู้อลิมันแล้วผมตีแรงคูวอลิเพื่อนตายแต่มันก็ติดคุกถึงสามปีไอ้เพื่อนที่ชวนไปตีคู่อลิไม่เคยโผล่มาเยี่ยมเลยมันก็น่าร้องหไห้มั้ยมันไม่ถูกต้องเพื่อนชวนทำเรื่องไม่ถูกต้องเสือกไปรับจ ำ, ำพุทเจ้าบอกว่าไง เวราใครนะี่ยเขามาชวนทําอะไรจะถูกต้องต้องทำสองอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งรีบรับเพื่อเรื่องมันชั่วร้ายเราก็ผิดพลาดไปเขาด้วยถ้าเรื่องดีเราเรีบปฏิเสธเราก็เสียโอกาสควรใกล้ควรคผลได้ผลเสียว่ามันถูกต้องหรือเปล่าที่ชวนไปตีเขาสัญดานนี้ไม่มีการใคล้ควรอะไรเพื่อนชวนก็รับเลยแต่พอติดคุกแล้วเพื่อนไม่มาเยี่ยมมันก็ร้องไห้แล้วมันจะหาว่าเราเทศใช้ เอาลนะความถูกต้องเป็นตัวฉันและตัวฉันจะทำแต่เรื่องถูกต้องแล้วเสียหายแมวคนส่วนใหญ่มันชอบทำถูกใจแต่ไม่ถูกเพราะเราต้องมีหลักของเราว่าความถูกต้องคือตัวฉันตัวฉันคือผู้ทำแต่สิ่งถูกต้องลืิมยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะทำถูกต้องถ้าเราเดินทาง อริยมักิมีองค์แปดถูกต้องเราก็จะมีความถูกต้องสิบเอ็ดข้อตามมาแล้วเราจะภูมิใจยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างภาคภูมิปีติความถูกต้องอยู่ในตัวเราก็เท่ากับเราไหว้พระเพราะพระก็คือผู้ที่ถูกความไม่ทำอะไรถูกต้องเราเป็นพระได้ไงออเมื่อกี้ก่อนจะมาออกประเทศเนี่ยมันว่ามีสัมภาษณ์พระขับรถสะเล้งบินทะบาท มวันซื้อเนี่ยจะมาเห็นแปลกฆรวาสนั่งพระขับมันอะไรเนต้องเขาอินซอนนะนั่งไม่มองดูมันไม่เข้าท่าเลยแต่ฆราวาสก็แก่สงสัยจะขับไม่เป็นหรือว่าพระเวอร์กูขับองนี่แล้วก็ถามว่าพระรับเงินรับทองถูกต้องไหมเอาเงินใส่บาทถูกต้องไหม ก็ใส่ไปทําไม้ข้าวเค็มก็ปลน้นต้นไม้วางฝาบาทแต่ว่าการส่ยย่ามเด็กไอ้รับเงินนะ่ะกับการเก็บเงินหมักเงินสะสมเงินมันไม่เหมือนกันรับแล้วไปให้ทุนการศึกษาเด็กรับแล้วไปเข้าโรงพานซื้อเครื่องไม้เครื่องมือรับแล้วไปช่วยเหลือคนอยากคนจนให้มีที่ดินทำหากินมันจะเป็นอะไรนักหนาไม่รับเนี่ยเขาเรียกพวกที่สุขแคบสบายไม่ต้องกังวล รับแล้วต้องมาบริหารเงินนี่มันเกิดเกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดคุณูประการเอามาพิมพ์หนังสือแจกเอามาทําซีดีแจกชาวบ้านใส่บาทเราเขาก็ได้เอามายอมใส่บาทสิบาทยี่สิบาทใส่กับข้าวถุงก็แจกหนังสือเขาใส่ยี่สิบเราก็แจกหนังสือเขาใส่แต่กับข้าวไ ม, ม่มีตังก็แจกหนังสือเขาไปบางคนเนี่ยบอกหมายได้รับหนังสือท่าน เลยอยากตามมาดูที่วัดเนี่ยก็เป็นอย่างงี้ทําให้เขาเข้าวัดเพราะแจกหนังสือแล้วจะไม่รับเงินาาเนี่ยงว่าตังที่ไหนมาพิมพ์อะจะทําทเป็นเคร่งเคร่งเคร่งจนทําอะไรไม่ได้เคร่งไปเยอะแต่มาไม่เอาแต่มาขอย่อนย้อนเคร่งเคร่งแต่จะไม่ย้อนยานให้หน่าเกลียดจะไม่รับตังแล้วมานั่งนับหรอกจะมีน่าเกลียดอยู่พระลุงตารับแล้วมานั่งนับน่าเกลียดก็นั่งไฟเกเลได้วยนะ สบงก็งจะหลุดไม่หลุดแหลยนนั่งนับตังค์อันนี้มันเกินไปอาตมาเนี่ยรับส่ย่ามเสร็จมาถึงก็โยนปึง้งให้กรรมการผู้จัดการเข้าไปมนุษย์ี่เข้ไปเก็บไปดูตัวเลขถ้าตัวเลขมันขึ้นขั้นนี้เราควรไปทําอะไรอย่างที่บอกอะไม่มีใครเชื่ออาตมานะไปถามที่ไหนมันเอาสันดานตัวเองมาเทียบกับพระเนี่ยถามนายยมลงเดาที่ตอนนี้บัญชีอาตมามีเท่าไหร่ เท่าไรเ่าห้าล้านยี่สิบล้านบางคนไม่รู้นเชื่อบ้าบอเลยห้าหร้อยล้านมันบอกหลวงพ่อคูณยังเป็นพันล้านหลวงปู่คงยังห้าพันล้านท่านก็ขงเราเราห้าหร้อยล้านมันเอาสันดานมันมาเทียบกับเราของมันได้เท่าไรเก็บหมดของเราได้เท่าไหรก็ให้หมดวัดนี้เรามีคติว่าเราจะเป็นวัดมีบารมี มีเงินน้อยช่างมันแต่คอยวัดเป็นวัดมีบารมีเป็นพระมีเงินน้อยไม่สําคัญแต่คอยเป็นพระมีบารมีเดี๋ยวเงินมันมาเองจริงไหมแล้วเขาก็ถามเยอพระบางองค์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มทํานะพอโยมใส่มาโยมมันผิดพินัยนะตะคุยอะไรแหล ะ, ละที่หลังจะใสนะไม่ดูให้ดีสมัยที่พระพุทธเจ้า เคยอนุญาตมีบาลีบทหนึง่งอาจารย์คึกฤทธิ์พระโมทิเคยอธิบายตรงนี้ไว้ว่าพระราชาเนี่ยท่านเห็นพระมาท่นอยากใส่บาทแหลือเกินแต่กับข้าวก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็ไม่มีฟักดูในกระเป๋ามีตังท่านก็อยากทำบุญพระไม่รับพระราชาอาจจะกริ้วก็ได้พระราชาบางองค์ก็ขี้โมโห เคยจะมีคนตามใจนิพระมาขัดใจเียวก็ได้เลือกจึงมีบาลีว่าพิกเวรราชุนั่งอนุวัติตรงบางครั้งต้องอนุวัตอนุโลมตามบักเพื่อประโยชน์แต่ไม่ใช่อนุวัตไปอนุวัตมาไม่เป็นประโยชน์ดังเข้าย่ามเข้ากระเป๋านั่นที่วัดเนี่ยขอร้องพระว่าอย่าใส่ ย, ย่าม เข้ากุติแต่ว่าถ้าท่านเดือดร้อนอยากใช้อะไรก็ขอบอกมาจะเบิกใช้ใช้เมื่อสองวันพระท่านมาเล่าว่าโยมพ่อไม่สบายต้องจ่ายค่ารักษา 7, เจ็ดปันมากอา็อนุมัติช่วยพ่อท่านเพราะท่านอยู่ท่านก็ฝาดวัดท่านก็ทำประโยชน์ใ้วัดเวลาพ่อท่านเจ็บท่านป่วยหรือล้มหมายตายจากทางวัดก็ต้องจ่าย เพราะท่านไปบินธบัติท่านนั่งรับสังฆทานท่านก็เข้าตู้หมดแล้วเวลาเกิดจำเป็นต้องใช้วัดไม่ให้วัดก็ใจดำไหมแต่ถ้ามีใส่ตู้ไว้เพื่อยมพ่อยมแม่เกิดตายแล้วท่านไม่มีตังค์เลยลำบากไหมแต่ถ้าเบิกวัดได้ท่านก็สบายใจท่านก็จะบวชต่อไปโดยไม่มีวิตกกังวลอะไรยมไงเราเนี่ยถึงแม้ว่า ท่านเคยตรัสผิดบ้างเล็กน้อยแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่มันทำได้ไม่ใช่โอ้ยจะเคร่งอย่างกะนนัดหมอแนะนำให้กินยาไถายพยา่พยาธิพยาดิเยอะไม่ได้คุณหมอเดี๋ยวฉันสินขาดอย่างนี้เ็าเรียกโง่บริสุทธิ์เกินไปมันเกินไ ป, น เ, นไปเอาพอดีพอดีทางสายกลางฉันคือความถูกต้อง ความถูกต้องอยู่กับฉันด้วยกันฉันจะอยู่ยังมีประโยชน์อะอะไรที่ทาประโยชน์อะเคยเล่าให้ฟังใครเคยรู้อนนั้นมาอยู่กุฏิตรงนั้นอ่ะโอ้ยปล่อยหน้ากุฏิกรกไปอะไรไว้ไม้เต็มยันหน้ากุฏิพโยมฟาดนมันางที่ไม่ใช่ผมกําลังประคองจิตไปฟาดด้วยจิตตกประคองจิ ต, ตทำทำอะไรไม่ได้เลยเราจะประคองศีลประคองวินัยอะไรก็อย่ากให้มันเกินไปอพอดีพอดี เอาละโยงถูกต้องก็คือทางสายกลางอยากตึงเกินไปหย่อนเกินไปต่มาเนี่ยแม้อยากจะเข้าไปเที่ยวสวนกลางคืนอยากไปตรวจงานดูเด็กมันก็หลับแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์จอดคิดหลายตลบ <c oughs> ถ้ากูขับเองถึงไม่มีคนเห็น๋ยกูยาบใจไม่เอา อย่าไปเลยเดินดีกว่าเดินหืนไปเดินไปอย่ารู้เนี่ยเจ็ดแปดรอยเมตรพระขับรถถ้าไปชนหมาชนอะไรเขา้ามันก็บาปชนคนยิ่งแย่เพ ร, ราะนันก็มีกฎนะไม่พระขับรถก็กดออกมาแล้วแต่ไม่รู้พวกลุงคนนั้นเกยังไมมงโยมกนัแล้วนั่งไปนั่งเปล่านะ่ะรวมของในายามกินสิแหมยิ่งทุเรศ ไม่ถูกต้องสองดิ่งเอา้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นอยู่หรือจะตายฉันขออยู่อย่างถูกต้องและจะตายก็ตายอย่างถูกต้องคือตายแบบโยมตกกระไดพลอยหมายความว่าไงเวลาตกกระดเนี่ยพลอยโดดดิ่งไปกับมันเลยยาวขาขัดหัว้ยเข้าใจไหม นั้นเวลาจะตายเนี่ยอย่าแบ่งใจติดขัดกับสมบัติกับลูกกับหลานโดดดิ่งไปกับมันเลยมันหลวงพ่อพุทธทาสท่านเตะๆเดี๋ยท่านฟุบไปบนธรรมาะลูกศิษย์ก็หำขึ้นหลดพาท่านฟื้นกลางทางบอกหยุดหยุยุดจะพาหอบสังทางขานเราไปไหนเนี่ยจะพาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลหยุดหยุดอย่าหอบสังขารเราหนีตายไปไหนเลยก็เรากลับไปตายที่วัดจะไปๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนบางคนเนี่ย เอาใจไปติดขัดกับสมบัติกับลูกกับหลานจะตายประงาบประงับยังเรียกลูกเรียกหลานเออเอาสมุดฝากมาให้กูดูตัวเลขครัง้งตดวตายที่ดอกเท่าไหร่แล้วยังแย่ yeah. แล้วนี่โยมถ้าเราจะตายเนี่ยอย่าให้ลูกหลานมันส่งลงบ้าบาไปเสียบนนีนเสียบนี้แล้วเราต้องไปตายขาเสียบก็ตายโลง่ลงๆเนี่ยโยมเลือกเอาไนจะอยู่หรือ ตายฉันขออยู่ก็ต้องอยู่ให้ถูกต้องถ้าจะตายฉันก็ไม่ยอมเสียบอย่างนี้หรอกเดี๋ยวนี้นาดนอยากบอกหลวงพ่อคุณนะที่จริงท่านไปตั้งแต่อยู่ในวัดแล้วไปปั๊มท่านปั๊มจะปอดฉีกอะไรกันไปทำาไมา้ที่อยู่มาเนี่นยเอ้โหเก้าสิบฟาดีกว่าเยอะจำมายังไม่รู้จะได้เจ็ดสิบลูกะเอาละอยู่ก็จะทำให้ถูกต้องถ้าจะไปจะตาย ก็จะไม่ทิ้งความเสียหายให้ใครมาตำณฑิตเตียนแก้ไขเรญญาพยายามทำให้มันถูกต้องไว้ทั้งอยู่ก็อยู่ถูกต้องจะไปจะตายก็ขอให้ไม่มีปัญหาที่ทำาีินกรรมอะไรก็นเนี่ยก็ดีนะทำไเอาสุดท้ายแล้วยอมว่างจากของหนักปัญหาทุกอยู่เสมอ ฉันจะอยู่แบบว่างจากของหนักไม่เป็นผู้แบกไม่เป็นผู้แบกของหนักเราสวดกันว่างไงพาราฮาเวปัญจักขันตัขันตะงอเป็นของหนักทุจักปล่อยวางบ้างโยมที่มาอยู่วัดเนี่ยโยมไม่แบกบ้านแบกเรือนไม่แบกเสาเรือนใครมานอนวัดแล้วยังนั่งคิดเรื่องบ้านกลับไปต้องไปถามเฮ้ยบ้าน กูคิดถึงมึงดือยกูมึงคิดถึงกูมั้งไหมไอ้ข้อเสาเสากูละคิดถึงมึงจังเสามันพูดได้บอกกูกันหนักแบก บ, บ้านทั้งหลังยึตายอยู่แล้วไม่มีเวลาไปคิดถึงมึงหรอก <_' S 1> เพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นผู้ที่หนักอึ้งอยู่ตลอดไม่เคยว่างจากของหนัก แล้วก็ไม่เคยว่างจากปัญหาและทุกข์เสียเลยพูดอยู่แต่ว่าอุ้ยปัญหาเยอะจังอ้ทุกข์จังปัญหาเยอะจังทุกข์จังคนอะไรไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์อยู่อย่างไม่มีปัญหาอยู่อย่างไม่มีความหนักกกหนักใจเราจะตายเนี่ยเขาจะต้องแบกเราเขาต้องเป็นฝ่ายหนัก ไม่ใช่คนจะตายรนหนักทับตายแต่ไอ้คนแบกเรามันไม่หนักหนาแล้วเนี่ย เ, ออเพราะฉะนั้นขอให้ว่างจากความหนักปลักปัญหาออกไปปัญหาก็มีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ้มแล้วก็ต้องม่ทุกต้องตวาดความทุกข์ว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นออจบลงข้อสุดท้าย วิสาขะมาที่นี่พอจะได้ประโยชน์มั้งไหมโย่นะแต่ไม่ได้ได้ไม่ได้ออสมแล้วหายเหนื่อยบอกไม่ได้กำลองโกคนฟ้าเหนื่อยเต็มไปนี่แหละเอา้าก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านมีตัวเองที่หน้าไว้ มีความถูกต้องเป็นตัวฉันตัวเราไว้แล้วก็ไม่มีความหนักถ้ามฤอยูได้ตายวันไหนก็ตายได้มันอาซจมจะตายก็เห็นตลาดชลรสไม่เคยเห็นบาปกรรมนิมิตชั่วร้ายมันหลอกหลอนในภาวาก่อนตายทั้งอยู่ก็ถูกต้องจะไปก็ถูกต้องขอความถูกต้องมาอยู่กับทุกท่าน จนยกมือไหว้ตัวเองได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเท่าน